พระบัญญัติ323ถ้าภิกษุพักอยู่ในกองทัพ2ถึงสคืนเที่ยวไปในสนามรบก็ดีที่พักผลรบก็ดีที่จัดขบวนทัพก็ดีไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วก็ดีต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระชพาคีจบ